ไม่นึกว่าคนแบงค์ชาติจะสนใจธรรมะเยอะอย่างนี้ภาพโพสที่นี่มันดูวิชาการน่ากลัวนึกว่าวันๆเงิเ ง, น ง, นงนินเงินเนะสนใจธรรมะไปก็ดีแล้วคนที่ไม่มีธรรมะนะชีวิตมันหาความมั่นคงแน่นอนเลยไม่ได้เลยความทุกข์มันบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาพวกเราชาวพุทธมีบุญมีวาสนา เราเกิดในแผ่นดินที่ธรรมะยังดำรงอยู่ปัญหามอยู่นิดเดียวทำยังไงเราจะสามารถนำธรรมะเข้ามาสู่หัวใจเราได้ถ้าใจเราเปิดรับธรรมะไว้ได้ใจิตใจเราก็จะมีความสุขคือศาสนาพุทธเนี่ยมีจุดมุ่งหมายสำคัญเลยก็คือทำอยังไงเราจะพ้นความทุกข์ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งความทุกข์ทางใจ ความทุกข์ทางร่างกายนั้นมันมีร่างกายมาแล้วยังไงมันก็ต้องทุกข์มันหนีไม่รอดหรอกแต่คนทั้งหลายในโลกนี้ไม่ใช่ทุกเฉพาะร่างกายมันมีความทุกข์ทางจิตใจปนเข้ามาด้วยเร่งความทุกข์ทางใจนี่เป็นส่วนเกินของชีวิตเราสามารถไม่มีได้แต่ความทุกข์ทางร่างกายมันต้องมีมนหนีไม่ได้พอุเทนเจ้าท่านเคยสอนบอกพระลราหันนะ ทไม่เสบยเวทนาทางใจไม่ทุกข์ใจหรือแต่เวทนาทางร่างกายความทุกข์ทางร่างกายทํายังไงจิตใจเราจะมีภูมิต้านทานไม่ทุกข์ต้อเรียนรู้ให้มากๆว่าความทุกข์มันเกิดได้ยังไงงั้ในศาสนาพุทธเนี่ยขอบเขตการศึกษาศา ส, สนาพุทธมันมีไม่มากหรอกมีนิดเดียวว่าทํายังไงจะไม่ทุกข์ ก่อที่จะทำไงไม่ทุกข์ก็ต้องรู้ก่อนทุกข์มันมาได้ยังไงรู้เหตุรู้ผลของมันไม่ใช่อยู่ๆก็ไปออดบอนใส่บาดหรือไปทําบุญน้อนนี้เราอธิษฐานขอให้ได้มาผลนิพพานมาผลนิพพานไม่เกิดกับคนที้ขอหรอกต้องทําเหตุให้ถูกต้องผลมันถึงจะมีแท น, นเหตุที่จะทําให้เราพ้นทุกข์ทางใจได้ก็คือการเรียนรู้มันเรียนรู้ลงมาที่ใจเราเลยดูลงไปว่า ความทุกข์มันเข้ามาสู่ใจเราได้ยังไงถ้าเรารู้ทันว่าความทุกข์มาสู่จิตใจเราได้ยังไงมันก็มาไม่ได้ถ้าไม่รู้ทันมันก็แอบเข้ามาอยู่ในใจเราได้ทุกวันวันหนึ่งหลายๆายรอบใช่ไทำไงก็ไม่หายวิธีที่เราจะเรียนรู้ว่าความทุกข์มาสู่จิตใจของเราได้ยังไงนี่ก็ไม่ยากอะไรหรอกเครื่องมือสำคัญนัก็คือการพัฒนาสติให้เกิดขึ้น เราได้ยินคําว่าสติสตินะอย่างนั่งรถมากรุงเทพหลวงพ่อก็เห็นมีคัดเอาขอให้คนไทยมีสติมีสามัคคีแสดงว่าสติก็ไม่มีสามัคคีก็ไม่มีต้องเรียกร้องเราเอาคําว่าสติมาใช้แต่เราไม่รู้หรอกว่าสติเป็นยังไงตั้งแต่บวชใหม่ๆหลวงพ่อพูดเรื่อยๆให้โยมที่ไปหาตอนนั้นอยู่เมืองการ พูดให้โยมฟังเรื่อยๆเลยบอกคนในโลกไม่มีสติคนที่มีสติน่ะหายากนะนับตัวได้เลยเพราะถ้าเรามีสติอย่างแท้จริงขึ้นมาเนี่ยพระอริยะจะไม่ขาดแคลนแล้วพระพุทธเจ้าถึงสอนนะว่าถ้าตรับใดยังมีผู้เจริญสติแต่สตินั้นเป็นสติปัฏฐานหมายสติที่รู้กายรู้ใจตรับใดที่ยังมีคนที่เจริญสติอยู่โลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์ ทุกวันนี้หายากนะยากเหลือเกินอย่าว่าแต่พระรหัโสดาตะคาคาอะไรก็เริ่มหายากมากมีหรือไม่มีก็ไ ม, มไม่มีใครชี้ขาดได้เพราะคนในโลกไม่มีสติบางคนฟังตรงนี้ก็ไม่พอใจก็ดูถูกกันชัดๆเลยว่าไม่มีสติถ้าไม่มีสติก็คงขับรถมาทำงานไม่ได้คงตกถนนไปก่อนหรือคงไปชนกับใครเขาคงเดินขึ้นกระไดไม่ได้นะคงตกบันไดไปแล้วนี่ มันไม่ใช่สติตื้นๆแบบนั้นสติในทางศาสนาพุทธตัวสติที่สำคัญนะคือสติที่รู้ทันตัวเองสติคือความะระลึกได้ะระลึกได้ถึงความมีอยู่ของร่างกายะระลึกได้ถึงความมีอยู่ของจิตใจอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าสติตัวจริงลำพังสติอย่างโลกโลกก็สติอย่างโลกโลกนนํำไปสู่โลกเวียนว่ายไปในความทุกข์ก็แค่นั้นเอง ถ้าเรามีสตินะรู้ลงมาถึงจิตถึงใจเราได้นะดูกายดูใจมันทางานไปมันจะเริ่มเกิดปัญญาถ้าไม่มีสติที่จะคอยรู้กายรู้ใจมันไม่มีวันเกิดปัญญาคำว่ า, าปัญญาก็เป็นอีกคำนะที่คนไทยยืมมาใช้จากศาสนาพุทธเอามาใช้หมายถึงความรู้ความฉลาดนะอะไรต่ออะไรเรียกว่าปัญญาปัญญาในทางศาสนาพุทธจริงๆนะต้องเป็นปัญญาที่พาเราค้นทุกได้ คือปัญญาที่รู้ความจริงของสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเองสิ่งที่เรียกว่าตัวเราก็คือกายกับใจนั้นปัญญาในทางศาสนาพุทธก็คือปัญญาที่รู้ความจริงของกายของใจอะไรคือความจริงของกายของใจไปได้ยินคำว่าไตรลักษณ์ไหมไตรลักษณ์อันนี้จังทุกขังอนัตตาความไม่เที่ยงความทนอยู่ไม่ได้การบังคับไม่ได้เรียกว่าไตรลักษณ์ความเป็นไตรลักษณ์นั่นแหละคือความจริงของกายของใจ หน้าที่เรานะมีสติคอยรู้กายคอยรู้ใจไปเรื่อยแล้ว เ, เห็นร่างกายนี้แสดงใจรักณเห็นจิตใจแสดงใจรักณ์ไปเรื่อยๆถ้เาเห็นอย่างนี้นานนานไปนะใจจะค่อยๆเกิดปัญญาขึ้นมาฉลาดมันจะรู้เลยร่างกายนี้มันเป็นตัวทุกข์นะอย่างพวกเราเรายังไม่รู้ว่ากายเป็นทุกข์พวกเรารู้สึกว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างแต่ยังไม่รู้ความจริงว่าตัวจิตเป็นตัวทุกข์ เราเห็นว่าจิตใจของเราเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างกลับใดที่เรายังเห็นว่าร่างกายจิตใจเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างเรียกว่าเรายังไม่รู้ความจริงความจริงของมันคือมันทุกข์แต่ว่าความทุกข์นี้มันถูกปิดบังอยู่มองไม่เห็นต้องฝึกสติจนกระทั่งเห็นความจริงของกายของใจได้ยกตัวอย่างอย่างร่างกายเราพวกเราก็รู้สึกนั้นนานๆทุกที น, น, น, นึงถ้าเรามีสติดูไปด้วยเราจะเห็นว่ามีความทุกข์ที่ยิบไปหมดเลย ร่างกายมีความทุกข์เยอะแยะเป็นหมดนั่งอยู่ก็ทุกข์นะมีคนไหนนั่งแล้วไม่ทุกข์ตอนนั่งเราเมื่อยในชะ่ไหมเมื่อยเราขยับตัวการที่เราเคลื่อนไหวเราขยับตัวเนี่ยเรียกว่าเปลี่ยนอิเดียบทการเปลี่ยนอิเดียบทนั้นมันปิดบังความทุกข์ทางร่างกายได้นั่งแล้วเมื่อยเราก็ขยับตัวยืนนานๆเมื่อยเราก็นั่งหรือว่าไปเดินนอนมากก็เมื่อยนะ่ไหม ยืนเดินนั่งนอนนะมันเต็มไปด้วยความทุกข์ถ้าเรามีสติตามรู้ตามดูนั่งอยู่ก็ทุกข์นะเดินอยู่ก็ทุกข์ยืนอยู่ก็ทุกข์นอนอยู่ก็ทุกข์มีคนไหนนอนแล้วไม่ทุกข์มีไหมเรารู้สึกว่านอนแล้วสุขหรือเปล่าถ้านอนแล้วสุขเราคงไม่ต้องนอนพลิกไปพลิกมาคนคนหนึ่งนะในคืนคืนหนึ่งเนี้ยสมมตินอน8ชั่วโมงเนะี้ยพลิก40่สถึงห้ครั้งพลิกตัว 40- 50ครั้ง น, ะนอนหลับอยู่ลองนับดู ฝึกสติให้ดีๆนะหลับนับได้นะพลิกกี่ทีกี่ทีนะตามรู้ตามดูไปทำไมนอนอยู่ต้องพลิกไปพลิกมาเพราะมันทุกข์มันเมื่อยนะมันทุกข์พวกเรารู้สึกว่าตอนนี้ไม่ทุกข์หรอความจริงหายใจออกก็ทุกข์หายใจเข้าก็ทุกข์ใครไม่เชื่อว่าหายใจออกก็ทุกข์หายใจเข้าก็ทุกข์ลองหายใจเข้าอย่างเดียวหรือลองหายใจออกอย่างเดียวดูลองหายใจเข้าดูอ่ะหายใจไปเรื่อยๆนะสักชั่วโมงหนึ่ง ไม่ต้องถึงชั่วโมงนะหายใจเข้าสักนาทีหนึ่งก็จะขาดใจตายลนะ้ทุกเราก็หายใจออกแก้ทุกข์ร่างกายเนี่ยนะมันอาศัยการเคลื่อนไหวปิดบังไม่ให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วมันเป็นตัวทุกข์อยู่ยกเว้นเวลาเจ็บป่วยหนักๆขึ้นมาจริงๆมันปิดบังไม่ไหวเราก็เลยเห็นว่าตอนนี้ไม่สบายเป็นทุกข์ตอนไหนไม่ได้เจ็บไม่ได้ป่วยนะเรามองไม่เห็นนะความทุกข์มันบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาแต่เรามองไม่เห็น นีมาดูในจิตใจเราบ้างความจริงของจิตใจมันไม่เที่ยงในโลกนี้อย่าหาคนใจเดียวอย่างตอนหนุ่มๆนั่นไปหลอกสาวใช่ไหมรักเดียวใจเดียวใจเดียวไม่มีในโลกมีแต่หลายใจรัตใจนั่นเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวโลภเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวหลงเดี๋ยวฟุ้งซ่านเดี๋ยวหดหูเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็เฉย ลรามีสติตามดูอยู่ในจิตใจไปเรื่อยๆเราจะเห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามันมีแต่เรื่องไม่เที่ยงมเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดจิตใจไม่ได้เที่ยงหรอกสังเกตไหมนั่งฟังหลวงพ่อพูดค่อยๆสังเกตนะขณะที่นั่งฟังอยู่นี่สังเกตไหมบางครั้งมองหน้าหลวงพ่อบางครั้งตั้งใจฟังฟังสองสามคก็หนีไปคิดทีหนึ่งฟังสองสามคำแล้วก็หนีไปคิดอีกทีหนึ่งสังเกตไหมฟังไปคิดไปไม่มีใครฟังอย่างเดียว ดูออกไหมว่าเราฟังสลับกับคิดนี่เป็ น, นกลไกธรรมดาธรรมดานะเราเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กๆเลนะแต่เราไม่เคยเห็นคนระับอย่างเราไปเรียนหนังสือนะหรือเราฟังพ่อฟังแม่เราอบรมสั่งสอนปู่ย่าตายายอบรมสั่งสอนเราคิดว่าเราฟังอย่างเดียวในความจริงไม่ได้ฟังอย่างเดียวบางทีก็ดูบางทีก็ฟังบางทีก็คิดสลับกันไปเรื่อยๆนี่จิตใจไม่เคยคงที่เลย ไม่ใช่จิตด hmm. ko ู 2. อย่างเดียวแล้วก็คงที่ด er ูได้อย่างเดียวฟังได้อย่างเดียวคิดได้อย่างเดียวในความเป็นจริงแล้วมันหมุนติ้วติ้ติอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวดูเดี๋ยวฟังเดี๋ยวคิดเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาสังเกตไหมตอนหลวงพ่อเจตนาหยุดพูดสังเกตไหมใจแอบไปคิดส่วนใหญ่ยังคิดคิดคิดคิดไปนะสังเกตไหมตอนนี้ส่วนใหญ่ใจนิ่ง แต่นิ่งๆเดี๋ยวหลวงพ่อจะเล่านิทานตลกให้ฟังอยากฟังไหมยังไม่ทันจะเล่าเลยรู้สึกไหมจิตเคลื่อนแล้ว <c oughs> จิตไม่นิ่งละเ <c oughs> นี่ยหัดดูนะหัดดูของจริงลงไปการเรียนธรรมะนี่ไม่ใช่การคิดเอาเองแต่เป็นการที่เข้าไปเห็นของจริงหลุดออกจากโลกของความคิดนะมาดูของจริงในกายในใจจิตใจของเราเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เดี๋ยวสุกเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวหนักเดี๋ยวเบาหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆการหัดปฏิบัติธรรมก็คือการมาดูของจริงเห็นไหมจิตใจเดี๋ยวสุกเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายหมุนไปเรื่อยๆเนี่ยเฝ้ารู้ไปเราก็จะเห็นว่านี้แหะคืออนิจจ์อนิจจ์คือมันไม่คงที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆงั้นในโลกนี้ไม่มีคนใจเดียวนะมีแต่คนหลายใจเปลี่ยนใจตลอดเวลาเดี๋ยวก็อยากดูเดี๋ยวก็อยากฟังเดี๋ยวก็อยากรู้เรื่องก็ไคิด เน้อใจเราหมุนติ้วติวตวอยู่ทั้งวันเราหัดดูไปนะแล้วจิตใจนี้มันแสดงอนัตตาได้ชัดด้วยอย่างจิตใจเนี้เราสั่งไม่ได้นะสั่งว่าเอ้าจงมีความสุขถามว่าสั่งให้มันมีความสุขแล้วมันจะมีไหมมันก็ไม่ได้มีอย่างที่เราสั่งใช่ไหมเอาสั่งมันซิต่อไปนี้อย่าเป็นทุกข์ทำได้ไหมต่อไปนี้อย่าเป็นทุกข์ทำไม่ได้นะจงดีตลอดนะอย่ามีกิเลส จิตจงเป็นกูสุนตลอดเวลานี่ามีกิเลสเกิดขึ้นสักนิดหน่อยก็ไม่เอาห้ามโลภห้ามโกรธห้ามหลงห้ามได้ไหมห้ามไม่ได้การที่เราเห็นว่ามันบังคับไม่ได้เราตามดูไปเรื่อยเราก็เห็นว่าเราบังคับมันไม่ได้การที่เห็นว่าบังคับไม่ได้คือเห็นอนัตตานี่ไม่อยู่ในอำนาจ บ, บังคับเนี่เราคอยดูที่กายนะกายจะแสดงความทุกข์ได้ชัดเจนเลยส่วนจิตใจจะแสดงความไม่เที่ยงได้ชัดเจนแสดงอนัตตาได้ชัดเจน มันอยู่นอกเหนือการบังคับจริงๆจิตใจเนี่ยเดี๋ยวดูเดี๋ยวฟังเดี๋ยวคิดเอาลองดูอย่างเดียวห้ามคิดลองทดสอบดูต่อไปนี้ช่วยกันมองหน้าหลวงพ่อดูซิแล้วอยากคิดนะสังเกตไหมทําได้ไหมลองดูเห็นไหมคิดอุตรุดเลยดูออกไหม <c oughs> คิดตลอดเวลาเลยเห็นไหมมันทำไม่ได้เราสั่งมันไม่ได้เนี่ยเรียนธรรมะนะ่าเรียนจากของจริง ไม่ใช่นั่งโมงเมลับหูหลับตาเคลื่มเคลื่มง็แง่งกแง๊กไปนะแล้วก็บอกว่าบรรลุธรรมในนั้นบนรรลุอาธรมรมบรรลุโมหะนะนั่งแล้วก็หลงเคลื่มเคลืมไปใช้ไม่ได้นะต้องมีสติครูบาอาจารย์หลวงพ่อมีหลายองค์นะหลวงพ่อไปเรียนจากครูบาอาจารย์เยอะสมัยก่อนองค์หนึ่งก็หลวงปู่เทศหลวงปู่เทศอยู่ที่หนองคายหลวงปู่เทศเคยสอนเลยว่าสติเนี่ยจำเป็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อ สติจำเป็นมากสติคือเครื่องระลึก ร, รู้กายระลึก ร, รู้ใจให้เราคอยรู้กายคอยรู้ใจบ่อยๆดูกายเขาทำงานดูใจเขาทำงานจนเห็นความเป็นไตรลักษณ์ในกายในใจนี้การเห็นความเป็นไตรลักษณ์ในกายในใจเรียกว่ารู้ความจริงพระพุทธเจ้าท่านสอนบอกว่าเรารู้ตามความเป็นจริงนะเราเห็นตามความเป็นจริงเนี่ยจิตจะเบื่อหน่ายอย่างเราเห็นร่างกายเนี่ยทุกวันนี้เราไม่เบื่อร่างกายเรายัางรักมันมากเลย แต่ถ้าเรามีสติตามดูมันไปตลอดเวลาเราจะเห็นร่างกายนี้เต็มไปด้วยความทุกข์มันไม่น่ารักตรงไหนเลยมันเต็มไปด้วยความทุกข์นะเราประครบรงโลงเราดูแลมันอย่างสุดชีวิตจิตใจมันก็ยังมีความทุกข์แทรกเข้ามาไม่สามารถจะรักษาให้มันดีตลอดสุขตลอดหนุ่มสาวตลอดทําไม่ได้จะให้แข็งแรงตลอดก็ไม่ได้ไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายทําไม่ได้อุตส่าห์ดูแลแทบเป็นแทบตายสุดท้ายมันก็นําความทุกข์มาให้อีก เนี่เราค่อยๆสังเกตไปนะมีแต่ทุกข์นะการที่เราเห็นความจริงๆอย่างนี้ใจมจ้าเบื่อรู้สึกเลยร่างกายนี้เป็นตัวทุกข์มาดูจิตใจเห็นแต่ความไม่เที่ยงเห็นแต่การบังคับไม่ได้เราวิ่งหาความสุขทุกวันทุกวันนะวิ่งมาอย่างสมมติว่าเราอยากมีแฟนสาวๆสวยๆสักคนเนี่ยวิ่งดิ้นรนมาพอไดมาไม่นานนะมนอยากมีคนใหม่อีกแล้ว อยูคนเก่ามันทุกข์นะมันแก่ง่ายตายยากพูดมากกินจุดูเองก็หมาอะไรเงี้ยนะไมนมีความทุกข์ขึ้นใหม่ละมันอยากใหม่อยากอีกเนื้อใจที่มันอยากนะมันดิ้นโรนมันหิวโหยอยู่ตลอดเวลาร่างกายยังหิวโหยวันหนึ่งสองสามรอบแต่จิตใจนี่หิวโหยตลอดเวลาเลยอยากได้อารมณ์ตลอดเวลามันหิวตลอดเวลาคือมันอยากได้อารมณ์ตลอดเวลาเดี๋ยวก็อยากดูเดี๋ยวก็อยากฟังเดี๋ยวอยากได้กลิ่นเดี๋ยวอยากรู้รส ออยากกระทบสัมผัสทางกายที่ดีๆอยากคิดอยากนึกในเรื่องที่มีแต่ความสุขเรื่องที่ไม่ดีไม่อยากนะอยากให้มันสงบอยากให้มันดีอยากสารพัดอยากความอยากเกิดขึ้นเมื่อไหร่ใจก็ดิ้นรนเม่อนั้นนะเฝ้ารู้เฝ้าดูไปเลยเห็นว่าใจนี่เต็มไปด้วยความอยากนะมีความอยากบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาใจมีความหิวโหยเกิดขึ้นตลอดเวลาคนที่หิวอยู่มันจะมีความสุขได้ไงจิตใจที่หิวอยู่จิตใจก็ไม่มีความสุขหรอก เราฝ้ารู้ลงไปนะโอ้จิตใจก็มีแต่ความทุกข์นะถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาด้วยความอยากนี่เฝ้ารู้ลงไปนะในสุนไปจะเบื่อจะเห็นเลยทั้งกายทั้งใจเนี้มีแต่ความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลามีแต่ของไม่แน่นอนมีแต่ความไม่เที่ยงมีแต่การบังคับไม่ได้อยู่ได้ชั่วครั้งชั่วคราวสั่งไม่ได้ไม่ให้แก่ก็ไม่ได้ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายก็ไม่ได้ไม่ให้พลัดพลากจากคนที่เรารักก็ไม่ได้ไม่ให้เจอคนที่เราเกลียดก็ไม่ได้ ทำอะไรไม่ค่อยจะได้สักอย่างเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูลงไปจะเห็นโอ้มันน่าเบื่อพระพุธทธเจ้าท่านถึงบอกเพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายแล้วเบื่อหน่ายจึงใครายกำหนัดครายกำหนัดคือใคราความผูกพันรักใคร่ ย, ยึดถือแล้วคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นหลุดพ้นหมายถึงอะไรหลุดพ้นหมายถึงหมดความยึดถือในกายในใจการที่เราไปยึดถือกายยึดถือใจหรือยึดถือสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นเพราะเราไปเห็นว่ามันเป็นของดีของวิเศษ ถ้าเราเห็นความจริงนั้เรามีสติตามรู้ตามดูไปด้วยเราเห็นความจริงว่ามันไม่ใช่ของดีของวิเศษเลยมีแต่ความทุบบีบคั้นอยู่ตลอดเวลามีแต่ความแปรปรวนอยู่ตลอดเวลามีแต่การบังคับไม่ได้ดูแลเอาอกเอาใจมันแค่ไหนก็สั่งมันไม่ได้ควบคุมมันไม่ได้จริงในกายในใจนี้เห็นอย่างนี้นะ่าจจะคลายความยึดถือออกไปเมื่อไม่ยึดก็ไม่ทุกนะยึดมีความยึดขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ทุกเมื่อนั้นสมัยก่อนมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งคือท่านอาจารย์พุทธทาต ใครใครได้ยินชื่อท่านบ้างต้องอาวุโสหน่อยนะถึงจะได้ยินเด็กเล็กๆคงไม่ได้ยินอะ่ะท่านเสียไปหลายปีแล้วท่านพุทธทาสท่านสอนดีนะท่านสอนเรื่องตัวกูของกูตัวกูของกูก็คือเราไปยึดถือเราไปสําคัญมั่นหมายว่าร่างกายจิตใจนี้เป็นตัวกูของกูมีตัวกูของกูขึ้นมาพอร่างกายจิตใจนี้แปรปรวนไปนะก็เป็นทุกข์ขึ้นมานี้ทําไงเราจะละความเห็นผิดว่ามันเป็นตัวกูของกูได้ เราต้องเจริญสติปัฏฐานมีสติดูรู้กายมีสติรู้ใจไปเรื่อยๆไม่ใช่ทําสมาธินะไม่ใช่อยู่ๆก็ทําสมาธิแล้ววันหนึ่งจะเกิดปัญญาเห็นความจริงของกายของใจไม่เกี่ยวกันเลยสมาธิเป็นที่พักผ่อนสมัยก่อนพระพุทธเจ้าพวกคนฤาษีชีไพายเขาก็ทําสมาธิมาก่อนแล้วแต่ทําไมเขาไม่บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าเพราะเขาไม่ได้เจริญสติเจริญปัญญาไม่ได้ตามรู้กายตามรู้ใจ พวกเราสราวกพระพุทธเจ้าเรามีสติรู้กายรู้ใจบ่อยๆดูไปจนเห็นความจริงของกายของใจวันใดเห็นความจริงของกายของใจได้ใจมันจะคลายความยึดถือออกไปสลัดออกไปฟังแล้วเหมือนยากนะไม่ยากคนที่เรียนกับหลวงพ่อตอนนี้นะั่นเดือนหนึ่ง2เดือน3เดือนเลยเนี้ยเริ่มเห็นความจริงแล้วว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราคนที่เห็นร่างกายไม่ใช่ตัวเราตอนนี้นับไม่ถูกเลยว่ามีจานวนเท่าไหร่ที่เรียนกับหลวงพ่ออยู่ทุกวันนี้ บางคนไม่เคยเจอหลวงพ่อนะฟังซีดีอย่างเดียวเลยฟังไปแล้วก็เริ่มรู้สึกแล้วร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นแค่วัตถุเป็นแค่ก้อนธาตุที่เคลื่อนไหวไปมาได้เนีย่ยวบางคนอาบน้ําอยู่นะถูสบู่ขัดขี้ใครอยู่ถูไปถูมาน้ำรู้สึกปั๊บขึ้นมาเลยว่าร่างกายที่กําลังเคลื่อนไหวร่างกายที่เรากําลังสัมผัสอยู่นี่เหมือนวัตถุเป็นแค่วัตถุเป็นแค่ก้อนธาตุอันหนึ่งเท่า น, นั้นเองไม่ใช่ตัวเราเลยเป็นอะไรก็ไม่รู้ที่มันไม่ใช่เรา บางคนก็ดูเข้าไปรู้จิตรู้ใจไปเรื่อยนะแต่เห็นเลยความรู้สึกเป็นตัวเราเนี่ยเป็นความปรุงแต่งที่ผุดขึ้นมาเป็นคลาล้วเมื่อมีสติอยู่ความเป็นตัวเราก็หายไปในฝ้ารู้ไปอย่างนี้เรื่อยต่อไปปัญญามันเกิดนะเห็นว่าตัวเราไม่มีหรอกพอตัวเราไม่มีคราวนี้ใครจะทุกข์ล่ะกลายเป็นทุกข์ใจเป็นทุกข์นะแต่ไม่ใช่เราทุกข์ละมันไม่มีเราผู้เป็นทุกข์อีกต่อไปไม่ยากเลยนะไม่ยากเลยขอให้ฝึกสติให้เป็นเท่านั้นเอง เราไม่สามารถเข้าถึงธรรมะได้นะไม่มีดวงตาเห็นธรรมได้เราไม่มีสติเราลืมตัวเองทั้งวันสังเกตไม่ตั้งแต่ตื่นนอนเราก็คิดเรื่องอื่นแล้วลงพ่อสมัยก่อนก็เหมือนกันนะสมัยโน้นรับราชการใหม่ๆนะอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลตื่นเช้าขึ้นมานะฝนึกได้ว่าวันนี้วันจันทร์นะใจแห้งแล้งเลยชาวทปทเป็นต้างไหม นึกได้ว่าวันนี้วันจันทนะใจแห้งแรงเหี่ยวเลยนะอนึกได้ว่าวันอังคารนะยิ่งเซ็งมากเลยวันพุธนี่สุดเบื่อวันพฤหัสเริ่มรู้สึกมีความสุขแล้วรู้สึกไหมนึกขึ้นได้ว่าวันนี้วันศุกร์นะใจเริ่มกระดีกระดาเนี่แค่ยังไม่ทันจะลืมตาเลยนะตื่นรู้สึกตัวตอนนอนหลับรู้สึกตัวขึ้นมาตอนเช้าแค่นึกขึ้นมาว่าวันนี้วันอะไรเท่านั้นใจยังเปลี่ยนเลย ที่หลข้พอหัดภาวนานะีก็คือหัดดูอยู่ในชีวิตประจําวันนี้เลยตั้งแต่ตื่นนอนมาคอยรู้ความรู้สึกของตัวเองคอยรู้ความจิตใจของตัวเองที่มันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ้ะฝึกรู้ฝึกดูอยู่อย่างนี้เองไม่ยากอะไรตอนเช้าตื่นขึ้นมานะไปอาบน้ําถ้าวันนี้ฝนตกตกอากาศหนาวสมัยโบราณที่อาบน้ําในตุ่มนะใครเคยอาบน้ําในตุ่มมีไหมช่วยยกมือให้ดูหนะ่อย นั่นแหละเขาเรียกว่ารสชาติของชีวิตเวลาหนาวๆนามองเห็นตุ่มน้ำรู้สึกไงสยองสยองใจสยองรู้ว่าสยองเห็นไหมตามองเห็นตุ่มน้ำใจสยองวันที่อากาศร้อนๆเห็นตุ่มน้ำรู้สึกสดชื่นดีใจความรู้สึกเราเปลี่ยนเปลี่ยนจากการคิดเช่นคิดว่าวันนี้วันจันทร์ความรู้สึกก็เปลี่ยนคิดว่าวันนี้วันอังคารวันพุธพฤหัสสุขความรู้สึกก็เปลี่ยน อาศัยการคิดจิตก็เปลี่ยนแปลงอาศัยการดูจิตก็เปลี่ยนแปลงเช่นอากาศ ร, ร้อนเห็นตุ่มน้ำแล้วดีใจอากาศหนาวเห็นตุ่มน้ำแล้วสยองหรือมองเห็นสาวสวยเดินมาจิตมันชอบมันยินดีพอใจจิตตะกี้เฉยเยจิตตอนนี้มีราคะเห็นคนนี้มาเราเกลียดเข้าไส้เลยมันมาอีกแล้วพอคนนี้มาเราโทสะเกิดเห็นไจิตเราเปลี่ยนตามการมองเห็น เราเปลี่ยนตามการได้ยินก็ได้เช่นได้ยินผู้ใหญ่ชมอย่างท่านสรสิทธิ์เกิดเรียกไปว่าชมโอ้ oh, คุณทำงานดีนะใจเราก็พองเห็นใจเราเปลี่ยนแปลงตามเสียงตามเรื่องราวที่ได้ยินถูกผู้ใหญ่เรียกไปว่าคุณทำงานช่วยเรอเกินใจเราก็เหี่ยวไปเลยทีก็โมโหไปเลยความรู้สึกของเราเนี่ยเปลี่ยนไปตามการได้ยินได้หรือคนแก่รุ่นหลวงพ่อนะ ได้ยินเพลงสมัยโบลามโบราณเพลงสุนทราพรเพลงอะไรนะฟังแโอ้มันเพลาะนะมันซาบซึ้งนะใจมันเปลี่ยนหูได้ยินเสียงใจก็เปลี่ยนเรารู้ทันใจที่เปลี่ยนแปลงมาได้ยินเพลงของเด็กสมัยใหม่มันร้องอะไรฟังไม่ออกสักคำเสียงเหมือนหมากัดกันนะลงเล้งลงเล้งอะไรวะฟังไม่ออกฟังแล้วลำคาญเห็นไหมหูได้ยินเสียงใจก็ลำคาญขึ้นมาสรุปก็คือตามองเห็นรูปนะใจก็เปลี่ยนแปลง หูได้ยินเสียงใจก็เปลี่ยนแปลงจมูกได้กลิ่นใจก็เปลี่ยนแปลงเช่นเราอยู่ที่บ้านเรานะได้กลิ่นอะไรเน่าๆโชยมาเราชักกังวลใจแล้วสงสัยมีหนูมาตายในบ้านยแต่ถ้าอยู่ในวัดกลางคืนได้กลิ่นเน่าๆโชยมาไม่คิดถึงหนูตายอันะนนี้สยดสยองแล้วเริ่มหันซ้ายหันขวาไปทั่วนะเริ่มหาที่พึ่งแนะ้นะเปิดไฟไว้ก่อนนะคิดว่าผีกลัวไฟนะ ผีไม่กลัวไฟนะ้าผีกลางวันก็มีนะไม่ใช่มีแต่กลางคืนใครกลัวผีไปอยู่วัดหลวงพ่อหลวงพ่อจะปลอบใจทำใจสบายไงก็หนีไม่พ้นเราเครยดูเลยไหมตามองเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นใจเราเปลี่ยนเราเคอยมีสติรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของใจเราไปเรื่อยลิ้นกระทบรสความรู้สึกก็เปลี่ยนรสชาติอย่างนี้แชอบอร่อยนะ รสชาติอย่างนี้ไม่อร่อยเลยรสที่อร่อยเกิดขึ้นกระทบลิ้นใจก็พอใจรสแม่อร่อยมากระทบใจก็ไม่พอใจคนไหนทําบุญมาไม่ค่อยดีคุณแม่ทํากับข้าวแม่อร่อยนะกินกับข้าวไม่อร่อยของแม่ทุกวันนะเบื่อหน่ายมากเลยต่อมาพอแม่ตายไปหลายๆปีนะไปกินอาหารรสชาติไม่เอาไหนอย่างนั้นนะโอ้ันคิดถึงแม่กลับขึ้นมานะมีความสุขได้นะ อันนี้เพราะอะไรเพราะลิ้นกระทบรสที่ไม่อร่อยแล้วใจมีความสุขหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหมเพราะใจเราคิดต่างหากแต่มันคิดขึ้นมานั่งอยู่ดีๆ น, คค น, น, น, คนนะัคิดถึงคนนี้ขึ้นมาใจก็มีความสุขนั่งอยู่นะคิดถึงคนนี้ขึ้นมาใจก็มีความทุกข์ใจเราคิดขึ้นมาใจก็เปลี่ยนสรุป ง, ง่ายๆก็คือเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรากระทบอารมณสกระทบรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางกายกระทบความคิดนึกปรุงแต่งทางใจนี จิตของเราจะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนโดยอัตโนมัติเลยเราสั่งไม่ไม่ให้เปลี่ยนไม่ได้นะจะเปลี่ยนตลอดเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายให้พวกเรามีสติตามรู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตไปเรื่อยๆสรุปง่ายๆการปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่ว่าปิดหูปิดตาปิดปากปิดจมูกปิดลิ้นปิดกายปิดใจไม่ใช่นะเปิดตาเปิดหูเปิดจมูกเปิดลิ้นเปิดกายเปิดใจเปิดให้หมดเลยนะเปิดให้มันกระทบอารมณ์ไป ตาเมาเห็นรูปให้มันเห็นก so <c> ็เรามีตาเราทำบุญมาดีเราไม่ได้ตาบอดเรามีตานี่เราก็ดูรูปสิพอดูรูปแล้วกิเลสเกิดขึ้นที่จิตเรารู้ทันสุขทุกเกิดขึ้นที่จิตเรารู้ทันกุศลเกิดขึ้นที่จิตเรารู้ทันหูเราได้ยินเสียงนะดีบ้างไม่ดีบ้างได้ยินแล้วจิตใจเราเปลี่ยนนะเกิดสุขเกิดทุกเกิดดีเกิดชั่วเรารู้ทันความเปลี่ยนแปลงที่จิตนี่แหละการปฏิบัติที่ใช้ได้ในชีวิตประจําวันนะฝึกได้ง่ายๆเลยไม่ยากอะไรเลย หลงพฝึกมาด้วยวิธีนี้เองตั้งแต่ปี2525ฝ 25. ึกตามรู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตใจตัวเอง25บางคนยังไม่เกิดความจริงฝึกกรรมฐานมาตั้งแต่ปี02 2502แต่ว่าฝึกสมถะฝึกแต่อานาปนสติหายใจเข้าหายใจออกไปด้วยได้แต่ความสงบตอนนั้นเรียนจากท่านพ่อรีวัาโสคารัมท่านอยู่ไม่กี่ปีนะ 2-3 ปีท่านก็สิ้นไป เรายัางไม่ได้เรียนขึ้นถึงมีปัสสน า, ายัางเด็กเล็กๆเจ็ดขวบเองขึ้นมีปัสสาไม่เป็นนล้วทำสมถะอย่างเดียวเลยทำมาตลอดเลยไม่เลิกจนมาปี25เนี่ยอายุทั้ง29แล้วถึงจะเจอหลวงปู่ดูลหลวงปู่ดูลสอนให้ดูจิตตัวเองตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปนี่แหละแล้วจิตเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นมาตามดูไปตามดูอยู่ไม่นานนะก็จะเห็นความจริงขึ้นมาเลยอย่าง ความสุขเกิดขึ้นที่จิตใจก็อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปความทุกข์เกิดขึ้นที่ใจอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปความโลภความโกรธความหลงความฟุ้งซ่านความหดหู่ความลังเลสงสัยความกลัวความกังวลความเกลียดคล้านทุกสิ่งทุกอย่างผ่านเข้ามาสู่จิตใจนะพอเรามีสติตามดูไปมันก็เห็นมันเกิดแล้วก็ดับไปทุกอย่างชั่วคราวทั้งหมดเลยการที่เราเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาสู่จิตใจเรา ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปผ่านมาแล้วผ่านไปซ้ ve, า ale, anyway. ําแล้วซ้ำอีกนัดูอยู่อย่างนี้แหละถึงวันหนึ่งจิตมันเกิดปัญญามันเห็นความจริงเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้เกิดแล้วดับทั้งสิ้นท yani ุกสิ่งเกิดแล้วดับทั้งสิ้นความสุขเกิดขึ้นก็อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปความทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปความชั่วความดีทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปพอใจยอมรับความจริงตรงนี้ได้ความทุกข์จะตกหายไปหลายสิเเลยทุกวันนี้ความทุก เกิดขึ้นในใจเราได้เนะีเพราะเราไม่ยอมรับความจริงว่าทุกอย่างมันเกิดแล้วดับนะเช่นความทุกข์พอเกิดขึ้นในใจนะเรารู้สึกว่าเมื่อไหร่จะดับสักทีไม่ยอมดับนะเราอยากให้มันดับนะมันไม่ยอมดับเรารู้สึกไม่ถูกใจเราปฏิเสธสิ่งซึ่งกําลังเกิดขึ้นสดๆร้อนๆต่อหน้าต่อตาเราความทุกข์เกิดขึ้นเราปฏิเสธมันนะเราอยากให้มันหายไปสักทีมันรู้สึกมันไม่หายไปรุ่มใจความจริงนะ่าเผลอนี้เดิมก็หายล้ไม่มีใครทุกข์ตลอดเวลาหรอก ความสุขเกิดขึ้นก็ชั่วคราวนะอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปทุกอย่างอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปพอใจยอมรับความจริงตรงนี้ได้นะไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในชีวิตมันก็อยู่ได้เราจะมีโชคลาภร่ำรวยขึ้นมาหรือเราจะตกอับยากจนเราจะยิ่งใหญ่มีตำแหน่งใหญ่ๆหรือเราจะตกกระป๋องนะทุกอย่างนี้ผ่านมาผ่านไปเป็นของชั่วคราวหมดเลยคออยู่ที่ว่าใจเรายอมรับความจริงไหมว่าทุกอย่างชั่วคราว ถ้ายอมรับความจริงได้ว่าทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราเป็นของชั่วคราวนะีความสุขมาเราก็ไม่หลงระเริงเรารู้ว่าอยู่ชั่วคราวนะความสุขจะหายไปเราก็ไม่เสียดายแล้วความสุขได้ทําหน้าที่ของความสุขเรียบร้อยแล้วเขาก็ถึงเวลาเขาก็หายไปความทุกข์ก็อยู่ชั่วคราวพอเวลาเวลาความทุกข์มาสู่จิตใจเราก็ไม่ทุรนทุรายไม่นานมันก็ผ่านไปไม่มีหลอกความทุกข์ที่ไม่ผ่านไปหลวงพ่อ เ, เคยถามนะมีลูกศิษย์คนหนึง่ง ตอนนั้นอยู่เมืองกาลมีเด็กผู้หญิงคนนึงไปเรียนหลวงพ่อก็ถามบอกว่าพวกเราคนไหนเคยมีความทุกข์มากๆทุกนานนานนี่ยเด็กผู้หญิงคนนี้บอกว่าหนูทุกข์มากเลยถามอะไรไปทําอะไรไปทุกข์อ่ะบอ ก, อกอกหักเว่าอกหักนะมันก็ทุกปีสองปีใช่ไหมตามมาตรฐานออ mm hmm. แตจแล้วมันก็หายะเลยมไม่ทุกตลอดชาติหรอกะหลวงพ่อก็แย่บอกว่าช่วงที่อกหักที่ทุกข์มากมากเนี่ย เคยไปเดินศูนย์การค้าบ้างไหมที่ถามอย่างเงี้ยเพราะหน้าตาเด็กคนนี้นะ่าโงเ่เฮงให้มาชอบช็อปิ้งนะม <c oughs> บอกไปบอกเวลาไปศูนย์การค้าเคยไหมไปที่แปลกๆนะเกิดอยากเข้าห้องน้ําอะแล้วหาห้องน้ําไม่เจอเงี้ยเที่ยวเดินหาห้องน้ําใครเคยเป็นไหมถึงกระทั่งศูนย์การค้าที่เราเคยไปคุ้นเคยใช่ไหมเดินเข้าไปโอ้ห้องนี้เต็มเต็มไปหมดต้องไปหาที่อื่นอีกอะไรยเงี้ย หงพ่อเลยถามว่าช่วงอีตอนที่วิ่งหาห้องน้ำอ่ะในเวลาภาวะฉุกเฉินที่รัฐบาลไม่ได้ประกาศอนะ่ะมีภาวะฉุกเฉินเกิดขึ้นขณนะนั้นอกหักไหมขณะนั้นไม่ได้อกหักเลยลืมมันไปเลยนะไอ้คนที่หักอกเราอนะรู้แต่ว่าสุขาอยู่หนใดพนะอเข้าห้องน้ำได้นะปลดทุกข์ปลดร้อนนะก็เริ่มคิดใหม่เอมเมืองหักอกกูนะ แม้ความทุกขก็อยู่ชั่วคราวนะไม่คิดไม่ทุกข์หรอกคิดก็ทุกข์ใหม่งั้นในโลกนี้ไม่มีอะไรถาวรนะในโลกนี้เป็นของชั่วคราวทั้งสิน้นผู้ใดที่หัดเจริญสติดูกายดูใจไปโดยพระรู้ทันความเปลี่ยนแปลงในใจมากๆเนี่ยถึงจุดหนึ่งจิตมันยอมรับความจริงว่าสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็ดับไปเป็นธรรมดาทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนแต่ดับทั้งสิน้นผู้ใดที่จิตยอมรับความจริงตรงนี้คือพระโสดาบัน พระโสดาบันคือท่านผู้ที่จิตใจยอมรับความจริงว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นทั้งปวงต้องดับไปเป็นธรรมดาไม่มีอะไรที่ถาวร อ, อยู่ในโลกนี้เห็นไหมพระโสดาบันมีปัญญาเห็นความจริงตรงนี้ไม่ใช่พระโสดาบันนั่งสมาธิบูบูบ้บา บ, า บ, าบา้นะมีแสงสว่างมีเงินยี่ตัวเหาะได้ตัวลอยได้เป็นพระโสดาบันไม่ใช่แต่ท่านมีปัญญาเห็นความจริงว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดา เรื่อความทุกข์มันจะหายไปเยอะเลยนะอะไรๆผ่านมามันยอมรับได้ทั้งนั้นนะทุกอย่างในชีวิตนี้ชั่วคราวทั้งนั้นเลยอนะครึ่งชั่วโมงพอดีตามโค้ต้าสามสิบห้านาทีต่อไปนนี้เชิญถามได้ข่าวว่ามีสิบสี่เชิญเชิญค่ะกราบนมัสการหลวงพ่อปราโมทค่ะแม่น่าจะเรียกให้เต็มยศเลยไเรียกหลงพ่อปราโมทปราโมทโช คือโยมเนี่ยได้ไ ด, ได้รับได้มีโอกาสได้รับซีดีของหลวงพ่อมาปีกว่านะคะแล้วก็ฝึกปฏิบัติตามแนวทางที่หลวงพ่อสอนเนี่ยโดยยังไม่เคยส่งกันบ้านกับหลวงพ่อเลยนะคะในวันนี้เนี่ยก็จะขอให้หลวงพ่อเนี่ยช่วยกรุณาตรวจกันบ้านนะคะที่ปฏิบัติมาว่ามีสถานะเป็นอย่างไรมีพัฒนาการหรือว่ามีความเนื่องช้าประการใดที่หลวงพ่ออาจจะมองเห็นแล้วก็ขอคําแนะนําแนวทางปฏิบัติต่อไปเพื่อถ้าเกิดมันเนื่องช้ามันจะได้ไม่เนื่องช้าะคะ่ะ เนิ่นช้า<ด>แล้วจะได้ยิ่งเนิ่นช้าไปเลยวันนี้กล่าวเหมือนทํารีพอร์ตเราค่อยดูทันใจของเราเรื่อยๆนะรู้ทันใจไม่บังคับใจนะการฝึกกรรมฐานเนี่ยไม่ใช่การฝึกบังคับตัวเองเนั่นชาพูดไม่ใช่นักเก็บกดความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในใจคอยรู้บ่อยๆอย่าบังคับใจให้นิ่งอางคุณติดการบังคับนิดหน่อย รู้สึกไหมขนาดนี้ตื่นเต้นใช่ไหมตื่นเต้นแล้ากดเอาไว้ให้นิ่งเราต้องไม่กดไปนะจิตตื่นเต้นรู้ว่าตื่นเต้นรู้จักจิตที่ไหลไปคิดหรื อ, อยังหนั ด, ดูนะว่าจิตเนี่ยไหลไปคิดตลอดเวลาอย่างเรานั่งดูทีวีอยู่เงี้ยนะเกิดข่าวมาเห็นหน้านายกไปใส่บาทวันเกิดนายกอะไรเงนะี้ยแล้วก็คนนี้ชอบใจเราชอบเรารู้ทันไม่งั้นเราใจก็จะหลงไปคิดเรื่อยๆเลยนะ เกลียดไหมตอนนี้ใจไปคิดให้หัดดูนะถ้ายัางดูจิตที่ไหลไปคิดไม่ได้จิตที่ไหลไปคิดเรียกว่าจิตฟุ้งซ่านเป็นโมหะดูยากเราก็รอดูจิตที่โมโหถ้าเวลาเจอหน้าคนนี้ใจเราเกลียดขึ้นมารู้ทันว่าใจเราเกลียดเจอคนนี้ใจเราชอบขึ้นมาชอบนี่เป็นราคะเกลียดเป็นโทสะเราคอยรู้ทันความรู้สึกทีแรกเราจะรู้ความรู้สึกที่หยาบหยาบก่อน ต่อไปเราก็จะรู้ได้ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นใจไหลนิดหนึ่งเราก็เห็นแล้วอย่าง ต, ตอนนี้ใจหลงไปคิดแล้วทราบไหมขณะที่ใจหลงไปคิดนะเราจะลืมตัวเองมีกายแล้วก็หายไปเลยลืมกายมีจิตใจก็หายไปมันแวบเร็วมากค่ะเร็วเร็วนะไม่ใช่ฝึกให้ช้าหมายถึงว่าเวลาเราไปความคิดที่มันไปเนี่มันเร็วมากเราเรตามไม่เคยทันไม่ต้องทันนะเพราะพระพุทธเจ้าท่านสอนให้ตามรู้ตามรู้หมายถึงว่า หลงไปคิดก่อนแล้วรู้ว่าหลงไปคิดแล้วโกรธไปก่อนแล้วรู้ว่าโกรธแล้วโลบไปก่อนแล้วรู้ว่าโลบแล้วเป็นการตามรู้ไม่ใช่รู้ในขณะที่กำลังหลงอยู่หรอกเพราะงั้นหลงไปก่อนแล้วรู้ว่าหลงจิตมันทำงานได้รวดเร็วนะพระพุทธเจ้าบอกว่าจิตเนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะตลอดเวลาเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเขี่ยวไปรวดเร็วมือระดับพระพุทธเจ้าบอกว่าเร็วก็ต้องเร็วแหละ นี้เราทำยังไงเราก็ฝึกสติให้เร็วขึ้นเรื่อยๆในสุดเราก็สติเราเร็วทันจิตเคลื่อนไหวสติรู้ทันจิตเคลื่อนไหวสติรู้ทันไม่ใช่แกล้งทำอะไรให้ช้าๆไม่หน่วงอารมณ์ให้ช้าลงนะหลายคนทำกรรมฐานแล้วชอบหน่วงอารมณ์ให้ช้าลงเพื่อจะให้สติมันช้าตลอดชาติอย่างนั้นใช้ไม่ได้เราค่อยๆสังเกตดใจเราไหลว๊บแวบแว๊บแวบตลอดเวลาฝึกสติให้เร็วขึ้นเรื่อยๆอย่างเนี้ยไหลไปคิดแล้วรู้สึกไหมตอนที่หลงไปคิดนั้นลืมตัวเอง อ่ไปคนต่อไปเดี๋ยวไม่ได้สิบสี่คนในเวลา 3, สามส <5 S 2> ิบ้านาทีคือผมปฏิบัติโดยการฟังสดีหลงพ่อมาประมาณเก้าเดือนแล้วนะครับแล้วก็มีการทำสมถันในรูปแบบเพื่อเสริมสมาธิเนี่ยอยู่เรื่อยๆก็ขออนุ ญ, ญาตขอโอกาสสรุปผลการปฏิบัติให้หลวงพ่อฟังนะครับเอาย่อๆนะครับก็ในช่วงสามสี่เดือนแรกๆเนี่ยจากที่เคยก่อนหน้าเนี่ยเห็นแค่โทรศแร ง, แรงๆเช่นความตกใจ พอกระทบโหปุ๊บมันมีความตกใจขึ้นมันก็ดับไปแต่ว่าพอมาฟังหลวง<ด>พอ่อเดี๋ยวไม่ทันครับที่ฝึกอยู่เนี่ยใช้ได้แล้วนะค่อยรู้ความเปลี่ยนแปลงของมันไปเรื่อยๆใจของเราเริ่มตื่นขึ้นมายัางเห็นไหมกิเลสผ่านมาผ่านไปเราเห็นได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นครับนีแ่แหลตามรูปไปข อ, อนิย่ารายงานสภาวะหลวงพ่อสองสภาวะครับ เ, เคยเห็นอย่างละครั้งอบก็เมื่อเดือนมีนาเนี่ยระหว่างที่ยืนพิจารณากายอยู่ครับพอมาถึงที่บริเวณกลางอก มันก็เหมือนตกเหลวลงไปแล้วก็เห็นก้อนที่มีเปลือกหนาๆมันแยกออกมาออแล้วมันเกิดขึ้นเร็วมากเลยครับออแล้วเข่าก็อ่อนไปนิดนึงแล้วก็กลับมาเหมือนเดิมออืก็ผมก็ปฏิบัติต่อไปเหมือนเดิมครับดูไปงั้นกูสน่ากูสนอะไรมันเกิดขึ้นที่กลางอกนั่นแหละไม่ทราบว่าเป็นพัฒนาการทางปัญญาที่เกิดขึ้นไหมครับเป็นแล้วก็เดือนหัดแล้วหลังจากนั้นละ่ะมีความรู้สึกเป็นตัวเราไหมช่วงหลังๆมาจะรู้สึกว่าความทยทยานทางโลกมันจะน้อยลงไปครับ มันจะอยากมาสิกษาปฏิบธรรมมากขึ้นขี้เกียจเป็นกิเลสนะก็พยายามทําตามหน้าที่อยู่นะครับทำหน้าที่นะแต่ก็มีความสนใจทางธรรมไปด้วยแล้วก็ปฏิบัติในชีวิตประจําวันไปด้วยครับอืแล้วก็ในเดือนเมษาเนี่ยก็ไปปฏิบัติอีกระหว่างที่ก่อนที่จะครบเวลาครับก็อยู่ดีก็เหมือนกับเอเราซูมกล้องแล้วมันก็ขยายขึ้นแล้วร่างกายก็หายไปอื แล้วก็เห็นแต่ยิบยิบเยาเยาเกิดขึ้นไปไมามาแล้วก็ตอนนั้นไม่ทราบว่าเป็นอะไรเพราะเพิ่งเคยเกิดครั้งแรกก็มีเสียงหลงพ่อขึ้นมาชัดเจนบอกว่าสังขารูปเปกขายยานแล้วก็ผมก็ยังไม่ทราบความหมายอยู่ดีแล้วก็สภาก็มีเสียงบอกว่ามีแต่สภาวะธรรมเกิดดับล้วนๆนั่นแหละล้วนๆตอนนั้นไม่มีร่างกายมีแต่หัวใจแล้วก็เต้นๆอยู่แล้วก็มีท้องพองฟองยุบคนรอบข้างก็หายไปหมดมีเสียงกระทบมันก็ยิบยิบเกิดดับไปเรื่อยๆดูเกิดดับไปหน้าไม่มีเราหรอก แต่พอจะออกจากสภาวะเอ้ยจะออกจากสมาธิครับหลวงพอ่อผมก็ขยับมือแล้วมันก็เหมือนกับตกวูบลงมาที่เดิมครับมันจะอัดอัดแน่นๆขึ้นมาครับอย่าไปบังคับมันนะถ้าบังคับขึ้นนิดหนึ่งก็แน่น่ะถ้ารู้อย่าที่เป็นไม่แน่นหรอกเวลาที่จิตจะรวมลงไปแล้วไปเห็นสภาวะที่ละเอียดนะเขาก็รวมของเขาเองเวลาเขาจะถอนขึ้นมานะถ้าสติตามรู้ไปเรื่อยๆมันไม่รู้สึกวูบว่าอะไรหรอกต้องฝึกอีกนะครับ เราอยากทราบว่าสมาถะในรูปแบบที่เหมาะกับจลิตผมนี่ควรจะทํายังไงดีเร า, เราทำซิเรียว่าทําพองยุบใช้อะไรของคุณใช้อะไรฟองยุบครับมาทําไปทําให้ดูลืมหลวพ่อก่อนแล้วทำสมถะไปรู้สึกไหมเราส่งจิตไปดูสังเกตนไหมจิตมัวลงมันซึมซึมลงค่ะซึมลงจิตมีโมหะนะนั่นสมาธิที่ฝึกอยู่เนี่เรียกว่าโมหะสมาธิเป็นสมาธิที่ไม่ดี ฝึกแล้วเกิดกิเลสไม่ใช่ฝึกแล้วล้างกิเลสดอกยาามฝึกด้วยความรู้สึกตัวอย่าน้อมใจให้ซึมลงไปน้อมใจให้ซึมเราเคยชินที่ว่าถ้าน้อมลงไปแล้วมันสงบเราไม่ต้องการความสงบอย่างนะั้นเราต้องการฝึกให้รู้สึกตัวพยายามให้รู้สึกตัวอย่าน้อมใจให้ซึมอย่างตะกี้แล้ว เ, เราควรจะวางจิตไว้ที่ไหนครับหลวงพ่อจิตเป็นคนดูนะเหมือนเราดูฟุตบอลนะจิตอยู่นอกสนามฟุตบอลจิตอยู่บนหจันร์ เห็นหน้าฟุตบอลวิ่งไ่วิ่งมาอย่งจิตของคุณตะกี้มันกระโดดลงไปในสนามฟุตบอลนึกออกไหมมันถล่มลงไปงั้นเราถอยขึ้นมานะเรามาเป็นแค่คนดูเห็นมันผ่านไปต่อหน้าต่อตาใจเราเป็นคนดูอยู่ไม่ต้องมีคำบริกรรมใช่ไหมครับบริกรรมก็ได้ไม่บริกรรมก็ได้สาระสําคัญไม่ได้อยู่ที่บริกรรมสาระสําคัญอยู่ที่ความมีสติรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ตรงที่ซึมลงไปมัวลงไปนั้นจิตมีโมหะไม่ได้มีสติ เมืราไม่ฝึกกรรมฐานที่จะเพิ่มโมหะเราฝึกกรรมฐานที่จะเพิ่มสติครับก็ขอคําแนะนําจากหลวงพ่อว่าควรจะระวังไปติดไปข้องกับเรื่องไหนเวลานะทําสมถะเนี่ยระวังใจจะไหลลงไปให้ใจเป็นแค่คนดูอย่าให้ไหลลงไปอย่างตะกี้แล้วก็ฝึกในชีวิตประจําวันยไม่มีปัญหาอะไรแต่ทุกวันนี้รู้สึกว่ารู้สภาวะได้เป็นกลางมากขึ้นนะครับเป็นกลางเพราะอะไรเพราะใจนิ่ง ระวังนะเป็นกลางมีหลายกลางกลางเพราะปัญญาเห็นสภาวะเกิดดับจนชินลนะทุกอย่างชั่วคราวเป็นกลางอันนี้สังขารู้เบกขาอันนึงเป็นกลางเพราะประคองจิตให้นิง่งอันนี้เป็นกลางด้วยสมถะนะเพราะฉะั้นเราอย่าประคองใจให้นิง่งเอาคุณนิ่งไปนิดนึงคุณรู้สึกไหมมันมีตัวหนึ่งที่นิง่งรู้สึกครับเออต้องเลิกซะตัวเนี้ยตายโซ ส, สจะได้สองคนละมังกลับ ข, ขอบพระคุณครับ ครับมสมการหลวงพ่อครับของคุณคคที่ส่งไปเมกี้นะใจมันก็ตื่นแล้วนะเมื่อจิตมันตื่นแล้วก็อย่าไปน้อมให้มันมีโมหะขึ้นมาแค่รู้สึกไปเรื่อยตามรู้ความเปลี่ยนแปล่คุณรู้สึกไห้ตัวที่แข็งแข็งเมื่อกี้นะี่ลดลงไปนึกออกไหมมันหายไปเอย่าไบ ป, ประคองตัวนั้นไว้ปล่อยมันไปแล้วอยู่ในธรรมชาติเนี่ยปฏิบัติถูกแล้วเอาต่อไปครับคือผมได้ฟังสิดีมาประมาณ3าเดือนแล้วก็พยายามปฏิบัติดูจิตนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ย ดูความรู้สึก ต, ตัวตัวของร่างกายนะครับก็เลยคิดว่าบางครั้งเนี่ยเราจะดูจิตแล้วมันจะนิ่งเป็นเพ่งไปบางครั้งเนี่ยก็จะฟุงก็จะเฝอก็ลืมตัวไปเลยนะครับพอมารู้ตัวอีกทีหนึ่งของของคุณนะมาดูจิคุณพยายามฝึกในรูปแบบบ้างนะเป็นทุกวันแบ่งเวลาไหว้พระสวดมนต์เดินจงกรมเดินรู้สึกกายเดินรู้สึกใจเห็นกายเห็นใจทํางานนะจิตของคุณแรงมันน้อยไปนิดนึงครับ รูส้ ส, ส, สึกแมม<ะ>มันไม่ค่อยมีแรงใช่คับคือจะจะฟงจะเผลอจะหลบเออนะมันไม่มีแร ง, รงนั้นทำในรูปแบบช่วยมนันนิดนึงครับไปต่อไปคนที่ส่งที่สองอะเวลารู้สภาวะนะกระโดดลงไปรู้นะตะลําลงไปรู้ทุกทีเลยให้รู้ทันอ่า น, นี่มันแสดงมาตรการของหลวงพ่ อ, อที่ผ่านมาได้ลองดูดูกายแล้วก็ดูใจสลับไปอะครับไม่ทราบวา่า เหมาะกับผมหรือปล่าครับเหมาะนะแต่ต้องขยันกว่านี้คดูบ่อยๆนะครับดูแล้วเวน้นเว้นแล้วที่ประคองไปหรือเปล่าครับตอนนี้มีนิดหน่อยเพราะกลัวหลวงพ่อครับเราต้องทําสมถะเพิ่มเติมไหมครับอัดจจเจริญสติให้เยอะๆนะสมถาน่ะไม่ยากหรอกรแต่ว่าจะมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงนี่ยากยากสมถาน่ะแค่ถลำลงไปเพ่งใจแนบแนบนิ่งๆอยู่ก็เป็นละครับ ใจใจที่จะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมานี่ยากใจแอบไปคิดซับไหมคอะตอไปให้รู้ทันใจที่หลงไปคิดนะคุณเบอร์สามเหมือนกันนะหลงแล้วนำมาส ก, การค่ะตอนนี้รู้สึกตัวว่าตื่นเต้นค่ะออขอกราบเรียนถามว่าที่ปฏิบัติอยู่นี้ถูกต้องไหมคะก็อย่าให้ติด รูปแบบมากนะหมายถึงให้เป็นธรรมชาติตามรู้ตามดูไปแบบเป็นธรรมชาติธรรมดาขอบคุณเรียบร้อยไปหมายถึงในในชีวิตประจำวันนี้ก็ก็อย่าติดรูปแบบมากใช่ไหมคะคือจริงๆแต่ละคนนะไม่ได้ว่าโยมน ะ, ะแต่ทุกคนอ่ะเราจะสร้างเปลือกขึ้นมาอั น, นหนึ่งหลวงพ่อชอบสอนเรื่องเปเปอร์มาเช่หมูกระดาษแต่ละคนจะสร้างเปลือกขึ้นมาแล้วเราก็อยู่ในนี้ว่าเนี่ยคือชั้น มันไม่ใช่ตัวจริงของเราในตัวจริงของโยมนะสนแต่โยมทําเป็นเรียบร้อยรู้สึกไหมเรากระเทาะเปลือกตัวเองออกมานะเอาตัวจริงออกมาดูเน่ใจเริ่มดูดออกมาแล้วรู้สึกไหมเราเราไม่เป็นบังคับมันให้นิ่งเราดูตัวจริงของมันจริงจริงมันดีจริงๆมันร้ายตามรู้ตามดูไปเลยแล้วเราจะรู้ว่าจริงๆแล้วเราร้ายกว่าที่เราคิดไปเยอะเป็นอย่างนั้นทุกคนแหละค่ะ กราบน้ำรส ก, การนะคะ เ, เรียนถามอีกข้อหนึ่งคือเมื่อเมื่อก่อนนี้ เ, เวลานอนก็ก็จะกาหนดลมหายใจคือกาหนดลมหายใจพยายามกําหนดล ม, มหายใจเมื่อก่อนนี้จะฝันคือฝันดีตลอด<ม>อย่างเช่นฝันถึงพระพุทธเจ้าฝ<ม>ันถึงอะไรนะคะแต่มาช่วงหลังนี้ฝันถึงคนตายแล้วก็คนที่ได้รับความทุกข์แล้วก็สัตว์ที่ได้รับความทุกข์ออจะ ไม่แผ่ส่วนกุศลอะไรเลยค่ะแผ่ส่วนบนแผ่ส่วนกุศลเนืองเนืองค่ะค่ะนั่นแหละสี่คนที่ส่งกันบ้านแล้วหลงหมดเลยค่ะกล่าบนมัศการหลวงพ่อค่ะเอ่อตั้งแต่หลวงพ่อบอกให้เริ่มถามคําถามได้ก็ตื่นเต้นแล้วนะคะแล้วหลังจากที่ไม่มาใกล้เรื่อยๆมันเหมือนหัวใจมันออกมาเต้นอยู่ข้างนอกแล้วนะคะตอนนี้เราเป็นแค่คนดูนะ เราเห็นร่างกายมันทํางานไปสังเกตไหมมันเต้นเราเป็นคนดูใจมันเป็นคนดูอยู่ต่างหากเวลาหัดภาวานานะค่อยๆสังเกตไปร่างกายมันเคลื่อนไหวอย่างหัวใจมันเต้นมันเต้นของมันเองดูออกไหมเราเป็นแค่คนไปรู้มันเท่านั้นเองเราค่อยๆฝึกจนเห็นร่างกายเนี่ยเป็นของถูกรู้ถูกดูใจเราเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูอยู่ต่างหากค่อยๆฝึกเรื่อยๆ ค่ะก็ธรรมะจัดสรรให้ได้พบซีดีของหลวงพ่อเนี่ยนะคะมาปีกว่าแล้วก็ฟังฟังหยุดหยุดนะคะแต่ก็พยายามปฏิบัติแล้วก็พยายามมีสติเรู้กายรู้ใจตามแนวทางที่หลวงพ่อสอนนะคะแต่การทํางานเนี่ยบางวันมันก็จะค่อนข้างวุ่นวายแล้วก็เราก็จะรู้สึกว่าเราหลงไปอยู่กับมันทั้งวันนะนะคะเขาจ้างมาทํางานนะต้องทํางานแต่พอทํางานแล้วเกิดขี้เกียจที่แบบนี้ รู้ถันว่าขี้เกียจค่ะก็จะรู้สึกว่าเวลาทำงานเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีโทสะโมหะมีโมหะแค่นั้นใช้ได้แล้วทำงานแล้วรู้ว่ามีโมหะแล้วก็แต่ถ้าเป็นวันหยุดที่อยู่กับลูกเนี่ยก็มักจะมีโทสะเยอะขึ้นมาพอเวลาเขาพูดอะไรไม่ถูกใจก็ บางทีกว่าเราจะรู้ตัวนะคะมันก็ค่อนข้างจะเนื่อนนานไปแล้วแล้วหลวงพ่อบอกว่าให้ให้เห็นสภาวะธรรมที่เกิดดับเวลาที่รู้สึกตัวรู้ใจว่าเออมันเกิดขึ้นเนี่ยนะคะเราก็จะรู้ว่ามันมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่แต่ตอนมันดับไปเราไม่เคยตามรู้ได้เลยเขา ไ, <ป S 1> ไม่ไหนรู้เท่าที่รู้ได้นะรู้เท่าที่รู้ได้ไปก่อ น, นมีห๋หน่อยนะมีแต่ดับนะวับวับวับวับมีแต่ดับค่ะทีนี้อีกเรื่องหนึ่งที่อยากเรียนถามหลวงพ่อก็คือว่า สิ่งที่คิดว่ารู้อยู่เนี่ยเวลาที่คุยกับเพื่อนเริ่มไม่แน่ใจว่าเรารู้จริงหรือเปล่านะคะเป็นการรู้ตามแนวทางที่หลวงพ่อสอนห ร, รือเปล่ารู้นะรู้รู้บ่อยๆไปของคุณนมีบุญวาสนาหน่อยตรงที่ไม่ได้ติดเพ่งนั้นของคุณจิตใจเหมือนคนธรรมดาจิตใจของคนธรรมดาเนี่เหมาะกับการทํำมิปัสนามากที่สุดเพราะจิตของคนธรรมดานี่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จิตขอคนที่ติดสมถะติดเพ่งแล้วมันนิ่งไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงมันไม่แสดงไตรลักให้ดูนั้นของคุณนี่สบายอย่างหนึ่งไม่ได้ติดเพ่งมีแต่ฟุ้งซ่านดูออกไหมอ่ะมันฟุ้งไปเราคอยรู้ฟุ้งไปเราค่อยรู้เอาค่ะถ้าอย่างนั้นอยากจะขอการบ้านจากหลวงพ่อหาพ่จินนเพื่อความสุขของลูกเราอ้าวตอบไปขอบพระคุณค่ะ กับนวัตสการหลวงพ่อค่ะก็เพิ่งฟังซีดีหลวงพ่อได้ประมาณเดือนเดือนหนึงอะค่ะก็ในชีวิตประจำวันก็พยายามรูดรูดทันจิตแล้วก็มีปฏิบัติตามร<ด>ูปแบบนะดูบ่อยๆนะดูบ่อยๆที่ฝึกอยู่เนี่ยมันเริ่มต้นได้ดีแล้วะก็แต่ว่าตอนที่ปฏิบัติตามาตามรูปแบบอะค่ะแต่ยังไม่สม่ันเสมอก็จะเข้าสมถะเกาะแล้วก็ได้ทําสมถารู้ว่าทำสมถะใช้ได้นะ เวลาทําสมถะไม่ใช่น้อมจิตให้เกิดโมหะเดีย๋ยเป็นน้อมจิตให้ซึมเวลาจิตมันรวมเป็นสมาธินะมันรวมแบบรู้เนื้อรู้ตัวมีสติตลอดเลยไม่ใช่รวมแบบลืมเนื้อลืมตัวนะงั้นเราอย่าให้ขาดสติสติจําเป็นที่สุดเลยค่ะทีนี้ก็คือเพิ่งปฏิบัติเริ่มปฏิบัติเนี่ยก็ไม่มั่นใจก็อยากจะถทำลงเพราะว่าดีไปทํำอีกต้องฝึกอีกนะยังขี้เกียจอยู่เยอะขี้เกียจนี่เป็นโรคที่แสลงหลวงพ่อที่สุดเลย ขออีกคําถามหนึ่งนะคะก็คืออยากจะถามว่าเราสามารถที่จะกําหนดได้หรือเปล่าว่าเวลาเราที่เราจะตายเนี่ยเราอยากจะเกิดมาเป็นภพภูมิมนุษย์เรารต้องซ้อมให้ก่อนนะไม่ใช่ไปทําตอนตายนะ<า>วิธีวิธีทายอนาคตของตัวเองว่าตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนใครอยากเรียนบ้างเอากระดาษมาแผ่นหนึ่งนะแล้วตีไว้เป็นช่องๆนะใส่ชื่อกิเลสนะนานาชนิดลงไป โทสะช่องหนึ่งนะราคะช่องหนึ่งนะหลงใจลอยเม่อเมอฟุ้งซ่านนะึช่องหนึ่งติดเป็นบุญเป็นกุศลอะไรพวกนี้ไว้ช่องแล้วเราลองใส่ใจเราเผลอไปแวบใส่ช่องเผลอหนึ่งคะแนนใจเราโมโหขึ้นมาทีหนึ่งใส่ช่องโมโหหนึ่งคะแนนช่องโกรธใจเราโลภขึ้นมาอยากโน้อนอยากนี้นะใส่ช่องโลภไปหนึ่งคะแนนลองทําดูห้านาที แล้วรวมคะแนนดูคะแนนโกรธมากแล้วก็เตรียมตัวไปนรกเ่ะเพราะจิตเรามีอาจินกรรมคุ้นเคยกับโทสะนะปั๊บที่จะไปเกิดในนรกเนี่ยสูงเป็นปั๊บนะไม่ใช่ว่าร้อยเปอร์เซ็นเป็นปั๊บมีตัวเออร์เรอในขนาดนั้นกำลังโมโหอยู่เกิดเห็นหลวงพ่อปราโมทเดินมาแล้วอารมณ์ดีฉับพลันอย่างี้เลยไม่ตกนรกถ้าใจโลภตลอดเวลานะ คะแนนโลบมากไปเตรียมไปเป็นเปรดได้ถ้าคะแนนทิฏฐิมานะมากกูเก่งกูเก่งเจ้าความคิดเจ้าความเห็นมากนะเป็นอสุรกายถ้าใจลอยแล้วก็ขึน้นถึงแต้มใจลอยแล้วก็หนึ่งแต้มไปเรื่อยๆนะเป็นสัตว์เดราาัจฉานลองไปเล่นดูนะแต่เกมนี้ห้ามเล่นในฤดูหนาวเพราะมันจะหนาวสุดฉีตเลยไปลองดูนะการที่เราคอยติ๊กเนี่ยเป็นการซ้อมดูจิตนั่นเอง จิตเราโกรธเราก็รู้ทีหนึ่งจิตเราโลภเราก็รู้ถีคะแนนรวมของมันนะคือคะแนนของสติโกรธไปร้อยครั้งโลภไปห้าสิบครั้ง อ, อย่างเงี้ยรวมแล้วก็คือมีสติร้อยห้าสิบครั้งใครที่เล่นเกมนี้ไม่ตกนรกหรอกขอกันบ้านด้วยค่ะไปทาอีกยังทำไม่พอยังทำน้อยไปอ่ะต่อไปเนี่ยนี่ยเ น, นี่เบอร์สองอ่ะรู้สึกไหม จิตมันรับห้องใจมันไม่ไม่ปลอดโปร่งไม่สบายดูไปเบอร์สามรู้สึกไหมจิตมันอ้อยส้อยอ้อยอิงลืมเนื้อลืมตัวนะลืมเนื้อลืมตัวไปพบฟูมอะไรเมื่อกี้บอกไปแล้วได้หนึ่งคะแนนแล้วนะกาบนมัสการหลวงพ่อค่ะได้ปฏิบัติตามแนวหลวงพ่อมาก็สักประมาณสองสามอาทิตย์ค่ะในชีวิตประจาวันก็พยายาม ดูกายดูใจก็จะเห็นกิเลสบ้างนะคะส่วนที่บ้านก็ทําตามรูปแบบแต่ว่าพิจรารณาแล้วคิดว่าตัวเองเพ่งอยู่ก็พยายามจะให้เป็นธรรมชาตินะคะก็ไม่พยายามหาที่อยู่ให้จิตพยายามดูกายเคลื่อนไหวแบบรวมๆแต่ใจจะไหลไปคิดบ่อยมากไหลไปคิดบ่อยดีนะเพราะว่าทุกครั้งที่รู้ว่าใจไหลไปคิดนั่นคือมีสติหนึ่งครั้งล้ งั้นจิตเนี่ยจะเป็นกุศลก็ได้เป็นอกุศลก็ได้เราไม่ได้ฝึกที่จะให้จิตเป็นกุศลตลอดเวลาจิตเป็นอกุศลรู้ว่าเป็นอกุศลก็ได้หนึ่งคะแนนเหมือนกันเราจะเห็นเลยจิตโลบเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปจิตโกรธเกิดแล้วก็ดับไปจิตที่เป็นบุญเป็นกุศลเกิดแล้วก็ดับไปทุกอย่างนั้นเสมอภาคกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์งั้นไม่ใช่ว่าเราเห็นกิเลสเยอะแล้วไม่ดีนะยิ่งคุณเห็นว่ากิเลสเกิดบ่อยยิ่งดีทีนี้จิตที่ไปคิดบางครั้งรู้แล้วก็จะหยุด บางครั้งรู้แล้วก็ยังคิดต่อเราไม่ห้ามนะ ถ, ถ้าพยายามไปสั่งมานนะเครียดอย่าไปสั่งมันแต่การที่เราเราเห็นจิตคิดอยู่มันเหมือนกับมีสองคนค่ะใช่มีสองคนคนหนึ่งคิดคนหนึ่งดูเราก็ปล่อยไปเรื่อยๆมันเหมือนอกับเสี ย, ยเวลาหลวงพอ่ออะไรนะประโยคสุดท้ายว่าอะไรนะ <laughs> ฟังแล้วแสลงใจเหมือนเรานั่งหนึ่งชั่วโมงเนี่ยบางทีเราจมกับ ดูความคิดหนึ่งอยู่นานมากอะพยายามกระดุกกระดิกแวะหางานบ้านทำจะทำงานบ้านเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆมันจะไม่จมไปอยู่กับอารมณ์มันเดียวนานๆคเคลื่อนไหวไว้ ค, คุณค่ะอ่ะต่อไปกับนิมัส ก, ก, การหลวงพ่อคะ่ะลูกก็ออฟังซีดีของหลวงพ่อได้9้าเดือนแล้วก็เริ่มหัดปฏิบัติดนะคะสิ่งที่ทำอยู่ก็คือตามรู้กายรู้ใจอะคะ่ะแต่ คือที่เห็นนี่ก็คือเราเห็นกายไปเรื่อยๆแล้วก็ความคิดมันก็เข้ามาใช่ไหมคะพอความคิดเข้ามาเนี่ยความคิดมันก็หยุดไปแต่ไม่มั่นใจว่าเราเป็นคนบอกให้เขาหยุดเพื่อจ ะ, ะตใจดูดกายหรือเปล่าเอาคุณดูได้ถูกและถ้าเราไปสั่งห้ามมันนะใจจะเครียดขึ้นมาใจจะหนักๆแน่นๆถ้าเรารู้ทันสภาวะที่จิตไหลไปคิดพอรู้ทันปั๊บมันขาดไปนะใจเราโปร่งโล่งเบาขึ้นมาใจเราไม่เครียดงั้นเราดูที่ใจของเราเัา ตอบคำถามได้แล้วว่าเราไปบังคับไว้หรือเปล่าถ้าบังคับนะดใจมันจะหนักหนักหนักไหมก็ไม่นะคะเพราะว่าคือส่วนใหญ่ที่ทําได้เนี่ยจะเห็นชัดเจนเนี่ยคือตอนที่ว่ายน้ําอะคะ่ะเพราะว่าใช้พวกนั้นร่างกายมันจะไปไปไว่ายน้ําอีก <c oughs> ว่ายน้ําแล้วก็ดู <c oughs> เห็นกายเคลื่อนไหว <c oughs> เห็นจิตเคลื่อนไหวไปนะเอาการว่ายน้ําเป็นวิหารธรรมได้ <c oughs> อ่ะต่อไปอกรรมฐาน <c oughs> อะไรก็ได้นะ <c oughs> แค่รู้กายรู้ใจไป กล่าวคำสกการะหงข้อครับผมยังรู้ตัวรู้ใจไม่เป็นนะครับคือพยายามที่จะฝึกสมถะมันก็จะเผลอเผอครับเมื่อมื่อบางทีก็ฟุ้งฟุ้งสั้นๆไปพอตั้งใจจะฝึกวิปัสสนาก็กลายเป็นเพ่งอพเราไม่ตั้งใจบ้างสิเราไม่ตั้งใจนะเพื่อเดินเดินไปเห็นสาวสวยคกลายเมันชอบขึ้นมาอย่างเงี้ยรับรู้ทันครับกระทบอารมณ์ไปแล้วก็ดูความเปลี่ยนแปลงไปครับของคุณถ้าเริ่มต้นด้วยความจงใจมันจะไปเพ่งง่ับ บางทีกระทบอารมณ์มากๆครับผกระทบอารมณ์มากๆากและเขาบ่อยๆครับพอพอเราระวังท้องทันทีเวลาที่ที่โกรธนะครับมันมีความรู้สึกว่าเอ๊ะขึ้นมาโกรธพอเอ๊ะขึ้นมาโกรธปั๊บความโกรธก็หายไปแต่ว่าใช่มันไปต่อไม่เป็นนะครับไม่รู้ว่าจะต้องทําอะไรรู้อยู่กับปัจจุบันเนี้แหละครับก็จะเห็นเลยความโกรธเกิดขึ้นพอมีสติรู้ทันความโกรธก็ดับไปครับจิตเกิดเป็นจิตที่มีสติขึ้นมาแต่อยู่ชั่วคราวเดี๋ยวก็เป็นจิตหลงไปอีกแล้ว เกิดระดับเหมือนกันนะทั้งจิตที่เป็นกุศลและอกุศลเกิดดับเหมือนกันหมดนีัครับวันนี้เพิ่งได้หลังจากฟังสิ่งแล้วผมเพิ่งได้มาปั่นกันบ้านนะครับต้องขอสารภาพหลพ่ในแต่ละช่วงที่คนไปหาหลวงพ่อที่วัดมันมาปั่นหน้าวัดครับครับวันนี้ผมก็เลยไม่แน่ใจว่าที่ผมปฏิบัติมาในช่วงที่ปั่นกันบ้านเนี่ยผมทํามีถูกแนวบ้างหรือยังครับถูกแล้วครับจิตเริ่มดีขึ้นแหละเบอร์สามสังเกตไหมถล่มลงไป ตัวนีว้ตัวที่พลาดอยู่อ้าต่อไปกลานำนวัต ก, การมหลวงพ่อเจ้าค่ะฟังซีดีและอ่านหนังสือของหลวงพ่อมาประมาณสองปีเศษแล้วก็ปฏิบัติตามที่หลวงพ่อสอนแล้วก็ทําอยู่ในชีวิตประจําวันด้วยเจ้าค่ะทีนี้อยากให้หลวงพ่อช่วยตรวจดูว่ามันใช้ได้หรือเปล่าคะใช่ได้นะแต่อย่าน้อมใจให้ซึมๆนะค่ะอยาพยายามให้ซึมพยายามรู้สึกตัวไว้คเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกดีกว่าน้อมใจให้นิ่ง ทีนี้จะเรียนถามอีกคาถามหนึ่งคือบางทีช่วงที่สติมันเกิดบ่อยๆแล้วทีนี้ก็เห็นเห็นสภาวะในใจมันมันมีเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปทีนี้จะช่วยน้อมพิจารณาน่อยนิดนึงได้ไหมครว่าว่ามันคือถ้ามองเห็นสภาวะแล้วไม่ต้องพิจารณาพิจารณาเอาไว้ตอนที่ดูอะไรไม่รู้เรื่องค่ะช่วยมันคิดคแต่ถ้าดูเห็นสภาวะเคลื่นใหวเปลีป่ยนแปลง ไ, ได้แล้วอย่าเสียเวลาพิจารณาอยากเขก้ากรรการบ้านด้วยค่ะที่ทําอยู่ก็เยอะแล้วนะ ทำไม่ได้ตลอดก็แล้วกันกลับขอพระคุณจ้าค่ะเบอร์สองรู้สึกไหมใจเราไปไหนเมื่อกี้นี้นึกออกไหมมันหลงไปนะหลงไปรู้สึกไหมความเป็นตัวตนมันมีเราผุดขึ้นมาเป็นคราวๆมันยังมีความรู้สึกเป็นเราผุดขึ้นอยู่นั่นะที่แแบบเบิกอะไรไม่ใช่โสดาปฏิมักนะดูไปตัวนี้อ่ะถึงไหนละกลับนเัศกาลหลวงพ่อค่ะ เออได้ฟังซีดีแล้วก็ได้อ่านหนังสือของพ่อมาหลายปีแล้วนะคะแล้วก็ปฏิบัติในรูปแบบบ้างบางครั้งจะกลับเรียนหลวงพ่อว่าที่ปฏิบัติมาเนี่ยถูกทางไหมคะถูกสิดีกว่าไม่ปฏิบัติ <c oughs> ดูไปเรื่อยๆนะมีข้อเมตตาเนะนน้ำสังเกตไม่ใจเราแต่ละวันไม่เหมือนกันค่ะ <c oughs> อย่างตอนนี้เรามีความสุขรู้สึกไหมค่ะเรามีความสุขเราก็รู้ไปค่ <c oughs> สังเกตไหมความสุขเริ่มหดลงไปละค่ะ <c oughs> ดูออกไหมค่ะ <c oughs> แต่ว่าเห็นความอยากพูดไหมที่เราคอยรู้ทันนะอะไรเกิดขึ้นในใจเราคอยรู้ทันเรื่อยๆแต่ว่าเวลาปฏิบัติเราจะเห็นกิเลสมากเลยค่ะนั่นแหละภาวนาเป็นคนที่ภาวนาเป็นนะจะเห็นได้ว่ากิเลสเกิดทั้งวันเลยคนภาวนาไม่เป็นจะคิดว่าเราไม่มีกิเลสแล้วมันเบื่อหน่ายอ่ะหลวงพ่อะแล้วมันเห็นตามความเป็นจริงมันเบื่อนะแต่ไม่ชอบนันเป็นโทสัยอีกตัว จะแก้ได้ยังไงไหมคะไม่แก้คําว่าวิปัสนาไม่มีคําว่าแก้นะมีแต่รู้ตามความเป็นจริงไปเรื่อยเห็นไหมกิเลสจะเกิดห้ามไม่ได้อุปสนจะเกิดลึกไม่เกิดสั่งไม่ได้ทุกอย่างบังคับไม่ได้คืออย่างนี้เรื่อยๆหมดยังอีกมอืมค่ะการนมัสการค่ะหลวงพ่อเลยกี่คนที่เตรียมไหมสี่เหรอเรามีเวลาสี่นาทีอว่าแปดค่ ะ, คะขอเรียนถามว่าที่ ตัวเองปฏิบัติมาถูกต้องแล้วรเปล่าคะก็ฝึกฝึกบ่อยๆนะแล้วตามรู้ตามดูไปมันเริ่มรู้สึกตัวขึ้นมาได้แล้วที่ที่เริ่มรู้สึกนี้ถูกมอลถูกแล้วนะแต่ว่าอย่าจงใจนะค่อยๆรู้สึกไปรู้สึกไม่ได้ติดเพ่งใช่ไหมคะมีนิดหน่อยเกรงใจเกรงใจและอยากบอกมีเพ่งนิดหน่อยแล้วในรูปแบบก็ปฏิบัติเหมือนเดิมได้แต่ระวังจิตจะไปถลําลงไปจ้อง อย่าให้จิตถลําลงไปจ้องก็แล้กันในตอนนี้จิตลงไปชิดทราบไหมคนต่อไปรู้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในใจรู้ไปเล่นๆ น, นะทุกอย่างที่เกิดขึ้นในใจจะสอนธรรมะเราทั้งสิ้นเลยทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งดีทั้งชั่วเขสอนไตรลักษณ์ทั้งสิ้นเลยอคนต่อไปนมาสการค่ะหลวงพ่อก็จะเรียนถามว่าที่ปฏิบัติอยู่นี้ถูกต้องไหมคะ่ะโอ้ถามเหมือนกันหมดเลยลอกกันบ้านกัน ปฏิบัติก็ถูกแล้วนั้นแหละนะถูกมากถูกน้อยก็ถูกแหละ ย, ยังมีกฎอยู่บ้างมีสังเกตไหมใจตอนนี้ฟุง้งซ่านออกไหมนั่นเราก็รู้ทันอย่างเนี้เรียนกรรมฐานไม่ใช่เรียนบังคับตัวเองให้ดีให้สุขให้สงบนะแต่เรียนเพื่อให้เห็นความจริงของมันอย่างจิตฟุ้งซ่านก็รู้ไปเห็นไหมมันฟุ้งซ่านได้เองเราบังคับมันไม่ได้คนต่อไปกรรมสุการพระอาจารย์นะ คือที่พระอาจารย์สอนว่าให้ระ ล, ลึกรู้ถึงความรู้สึกด้วยใจที่เป็นกลางทีนี้ อ, อธรรมชาติทั้งคนอะเวลาทำอะไรต้องมีความอยากขึ้นมานําไปก่อนไม่เป็นไรเบื<ต>้องต้นอยากไว้ก่อนได้อ่าอยากแล้วรู้ทันพระนอนท่านสอนนะบว่ามีตัณหาเพื่อวันหนึ่งจะละตัณหามีมานะเพื่อวันหนึ่งละมานะมีทิฏฐิเพื่อวันนึงละทิฏฐิเบื้องต้นมันก็ต้องมีกิเลสกันอยากปฏิบัติก่อน อยากปฏิบัติไม่เป็นไรไม่ใช่ไปรู้ว่าอยากแล้วเลยไม่ปฏิบัติไม่ใช่ <c oughs> เบื้องต้นให้มันอยากไปก่อนแล้วแล้ว อ, อ, อารมณ์ที่เกิดขึ้นเราจะรู้สึกได้ถึงอารมณ์ที่เกิดที่รุนแร ง, งแต่ว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นเนี่ยเรามองไม่เห็นไม่เป็นไรแรกๆเราจะรู้แต่ของที่แรงๆก่อนค่อยๆฝึกไปต่อไปของละเอียดก็เห็นเองมีวิธีการที่จะอยู่ที่ทักษะของเราขยันดูบ่อยๆจิตจําสภาวะได้แม่นยําแล้วสติจะเกิดบ่อย ตอนนี้จิตเราจำได้แต่สภาวะที่หยาบสภาวะที่ละเอียดจิตยังไม่เข้าใจเราหัดรู้หัดดูต่อไปจิตก็เข้าใจขึ้นมาสติก็เกิดบ่อยขึ้นมาครับเขา<อ>คุณอยาให้นิ่งนะครับ เ, เคยอ่านประวัติของลูก ป, ปู่ดูที่ท่านตอบพระราชพุทธฉาของในหลวงว่ากิเลสทั้งหมดเกิดขึ้นที่ใจให้เพ่งดูที่อันนั้นเป็นสันวนนะอ๋อปนนเป็นสันวนสันวน จริงๆก็คืออะไรไเกิดขึ้นมาที่ใจให้รู้ทันเวลารู้ไม่ให้ถลำลงไปรู้คนไทยใช้คาว่าเพ่งเนี่ยมักจะให้อารมณ์ความรู้สึกว่าต้องถลำลงไปจอ้องจริงๆก็คือให้รู้เอาในสติปัฏฐานก็ยา่านไม่ว่ามีแต่คาว่ารู้นะหายใจออกก็รู้หายใจเข้าก็รู้ยืนเดินนั่งนอนก็รู้สุขทุกข์เฉยๆก็รู้โลภก็รู้ไม่โลภก็รู้เบิเรบเบิรบมีคำเดียวคือรู้ครับ การนั่งม่ซับการหลวงพ้อคะ่ะคือฝึกดูกายดูใจมาได้ระยะหนึ่งนะคะแต่ว่าจะไม่ค่อยถนัดดูกายอะคะ่ะจะถนัดดูจิตมากกว่าไม่ว่าอาการของจิตเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าจะรู้จะรู้เร็วมากเลยค่ะหรือแม้แม้กระทั่งแบบตอนฝันตอนนอนเงี้ยฝันเราก็รู้แต่ปัญหาก็คือว่าคือเราก็รู้รมาเรื่อยๆแต่คือยังไม่เกิดปัญญานะคะที่ว่าจะทําให้ทราบว่า แ่กายใจเนี่ยมันไม่ใช่เราอะค่ะหลวงพอ่อดูมันทํางานไปนะดูมันทํางานไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งเราจะเห็นเลยว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันถูกรู้ถูกดูเนี่ยมันไม่ใช่เราเหรอกอย่างถ้วยน้ําเนี่ยลองดูที่ถ้วยน้ําเรารู้สึกไม่ถ้วยน้ําเป็นตัวเราเราก็ไม่รู้สึกใช่ไหมเรามันดูที่กายดูที่ใจเราก็จะเห็นว่ามันไม่มีเราเหรอกค่อยๆดูไปหมดละโอ้หลวงพ่อชนะตรงเวลาเป๊ะเลย พวกเราก็ได้ใช้เวลาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อมาพอสมควรนะครับในานามของชมรมศึกษาและปฏิบัติธรรมธนาคารแห่งประเทศไทยและสมาชิกพนักงานทุกท่านนะครับก่ อ, อนอน้อมนมสักรรการขอนพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อปาโม m a modharma เป็นอย่างสูงนะครับที่ท่านเมตตามาแสดงธรรมให้กับพวกเราชาวธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับฟังในวันนี้นะครับสุดท้ายนี้ผมขอเป็นผู้แทนของพวกเรานะครับกล่าวนำถวายทานแด่หลวงพ่อและก่อนพวกเราทุกท่านว่าตามนะครับ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเจตุปัจจัยไตรยธรมรมและสิ่งของอันเป็นบริวารณทั้งหลายเหล่านี้แด่พ ร, ร, ระคุณท่านหลวงพ่อปามโมช์ปามโโชขอหลวงพ่อได้โปรดรั บ, รรบจจตุปัจจัยไตรยธรรม และสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้เพื่อประโยชน์แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและแก่ครอบครัวของข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยต่อสิ้นการนานเทินยถาวาริวะฮาปราปริภูเรนตีสาขังเอวเมวัยโตดินนางเปตานางุปกปติ ปิชิตังปฏิตังทุมหังคิปเมวาสมิจตุสัพเพปูรเรนตูสังกปาจันโทปนรโสยถ า, ามณีโชติลโาโสยถาสัพพีติโยวิปัชตสัพพร โ, โวินาสตมาเตภวัตวันตระโยสุีติคายุบโภวะอาภิวาธานาศิิสนิจังุทาปจายโนจัตตารูธรมาวัทันติอายุวันโนสุขัง ลงังสาธุภาวนานะภาวนาเพื่อ <c oughs> ช่วยตัวเองเรียนรู้ตัวเองให้มากๆแล้ววันหนึ่งเราจะมีความสุขที่สุดเลยอย่าท้อแท้อย่าท้อถอยนะการภาวนายัาาายาง ไ, ไงก็ผิดทําไงก็ผิดเราก็จะพบว่าทำอย่างนี้ก็ผิดทำอย่างนี้ก็ผิดทำนี้ก็ผิดปรุงแต่งเมื่อไหร่ผิดเมื่อนั้ น, น, นเลยแต่ถ้าไม่ทายิ่งผิดมากกว่า อาศัยการทำผิดๆไปเรื่อยๆนี่แหละเราก็ใจก็ค่อยฉลาดขึ้นมาเรารู้ทันขึ้นมาวันหนึ่งก็พ้นแปเดี๋ยวหลงพ่อรักก่อนนะรักก่อนหน้าพี่สวรสิทธิ์สวรสิทธิ์สุนอดเกศนี่รู้จักกับหลงพ่อตั้งแต่ปีหนึ่งสี่นะพวกเราหลายคนจะไม่เกิดเลยมีโอ้โหด้วย